คนมาหลายครั้งแล้วก็มีคนมาครัง้งแรกก็มีติดมีกี่คนมาครั้งแรกอมีคนเดียวติข้างล่างหรือมีไหมมีนะพูดอะไรอ๋อไม่ได้เห็นข้างบนเนาะอืออือเอาพูดสู่กันฟังนะติดนี่ตั้งใจฟังเอตั้งใจฟังนะ โดยที่ผู้ที่มาใหม่อยากได้เห็นพิธีกรรมอยากให้รู้พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอยากให้ดูแท่นพระนะดูแท่นพระประธานก็ดูทำเหมือนกันโอกาสว่างๆถ้าหากว่ามีเวลาก็ขึ้นข้างบนดูแท่นพระประธานไม่มีโต๊ะหมู่บูชา ไม่มีแกกันบูชาดอกไม้เออไม่มีเชิงทูกเชิงเทียนเราเคยไปเห็นวัดต่างๆมีแต่ประดับประดาดอกไม้ทูกเทียนที่นี่หลวงพ่อไปที่ไหนก็ไม่อยากให้ใช่ไม่ใช่พิธีกรรมของพระพุทธเจ้านะนี่พูดสู่ฟังนะ เมื่อเช้าเนี่ยก็มีคนมาถวายพรมาเลายอาจจะไม่พอใจอยู่ออพอใจก็ช่างไม่พอใจก็ช่างเพราะหลวงพ่อบอกว่าพูดสู่ฟังไม่ได้พูดให้เชื่อเออพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อพระไม่ให้เชื่อตำรับตำลาไม่ให้เชื่อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมาไม่ให้เชื่อทำตามๆกันมา ให้เชื่อเหตุผลเราขาดการปฏิบัติหรือคำว่าขาดการทำขาดการกระทําก็เลยไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้กันกองหาสิ่งที่ถูกต้องเอาแต่สิ่งที่ถูกใจดอกไมก้ทูบเทียนพิธีกรรมของคนจีนพิธีกรรมของวันวาเลนไทยเออ พิธีกรรมของสารภาพภูมินี่สถานที่ของพระพุทธเจ้าสถานที่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมรูปเหมือนของพระพุทธเจ้ารูปเหมือนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เออมาวางไว้เราจะเอาดอกไม้มาบูชาไม่ถูกต้องสําหรับหลวงพ่อเอง พอไปเห็นดอกไม้ทูกเทียนท่านั้นแหละมันเสียวใจนะมันสแสลงทางใจอยู่มันไม่ไมคล้ายกับว่าเป็นกับขี้นะไม่ใช่แก่นแท้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แก่นแท้ทางพระพุทธศาสนาคนก็เลยมัวเมาลุ่มหลงไปทำให้คนอื่นลุ่มหลงด้วยนั่น ดอกไม้ของประดับประดามันสำหรับตาเนื้อนะมันไปปกปิดความกิ่งมันเป็นของปลอมนะดอกไม้ปลอมเคยถามสมัยประดับประดาดอกไม้มันสวยงามเห็นไหมล่ ะ, ะถ้าสวยงามผิดธรรมแล้ว มากราบมาไหว้อย่างเราทํากันเมื่อกี้เนะี่ยกล่าวคากราบไหว้นิ้วมือของเราต่างโทกต่างเทียนป น, นมข้าวให้เป็นดอกบัวใส่พานไปใส่ขันไปขันก็คือตัวของพวกเราเนี่แหละเรียกว่าขันห้าใส่ดอกไม้ได่ดอกบัวไปนี่ยไปกล่าวคําอิมินาส ก, กาเลนะตังพุทธัทงทำมังสังขังอภิปูชยามะ เราไปกับรถไปที่ไหนนั่งอยู่ที่ไหนไปที่ไหนแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็ได้กราบไหวเราก็ได้บูชาไม่ต้องไปหาซื่อนั่นเอามาวางไหวก็รกลงลังเป็นสถานที่ไข่ของมะแลงมุมเป็นสถานที่ไข่ของกิ่งจกเป็นสถานที่อยู่ของตุ๊กแกถ้าใส่มากๆบางทีก็ในป่าในดงอย่างนี้วัดในป่าในดงบางที งูเขียวงูอะไรก็ไปอยู่ที่นั่นก็มีนะมแมลงป่องมแมลงอะไรเหล่านั่นนี่อคนเราไม่คํานึงถึงความถูกใจคํานึงถึงความถูกต้องเอาแต่ความถูกใจมันมีสองคำนะหนึ่งถูกใจสองถูกต้องนั่นเราทําตามใจไม่ได้พระพุทธเจ้าให้ทวนกระแสทําอะไรมีแต่ทวนกระแส ทวนกระแสของพยามารทวนกระแสของกิเลสไม่ทําตามใจใจมันเอิบอาไปด้วยกิเลสเราจะไปทําตามใจได้ยังไงที่อุ้นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะลูกหลานทําตามใจพ่อแม่ไม่ได้สอนลูกหลานเหมือนแต่ก่อนนนเพราะว่าอะไรงานเยอะนานมีลูกแล้วไม่ได้เลี้ยงลูกนา ส่วนมากก็ให้คนใชยจ้างรถใชยจ้างคนเลี้ยงลูกนั่นที่นี่คนมาเลี้ยงลูกเราเขาก็ตามใจลูกสิถ้าไม่ตามใจลูกของนายก็จะร้องให้นั่นลูกนายของเราร้องให้เอาอะไรก็ต้องหาให้ได้เห็นไหมละ่ะตามใจไหมเดี๋ยวนี่ของเล่นยิ่งเยอะเสียด้วยนะออของเล่นลูกของเล่นหลานนี่ เยอะแยะโดยเฉพาะเด็กสมัยใหม่ uh. เด็กเล็กนะร้องให้เอาอะไรไม่ไม่ยอมเอานะถ้าเอาโทรศัพท์ให้เงียบนั่นเอาอย่างอื่นให้ไม่หยุดหรอกถ้าเอาโทรศัพท์ให้เงียบนั่นเริ่มไปแล้วตามใจแล้วตามใจไปเรื่อยไปมาไ ป, ไ ป, ไปไ ม, มาไปไปมาเราจะไปใช่ เอาสิ่งเอาของชั่วระยะเส้นสองเส้นเขาไม่ไปแล้วถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ใช่ไม่ได้นั่นเนี่ยเพราะคำเพราะคาว่าตามใจมตามใจทีนี่ลูกิทธย์ลูกหาตามใจตนเองก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะนั่นทำตามใจตนเองอยากทำอะไรก็ทำตามใจตันเองดีไม่ดีก็มาสอนหลวงพ่อเองสียด้วยนะนะ เรียกว่าสมัยใหม่เป็นสมัยโยมสอนพระอืสมัยโยมสอนพระเข้าใจไหมครับว่าสมัยโยมสอนพระตาพระจะฉันอาหารบินณยบาทก็มาให้ฉันว่ามันไม่อร่อยต้องรักษาสุขภาพต้องจัดถ้วยไทยจานนั่นให้ทําอย่างโน่นให้ทําอย่างนี้ ต๊ะหมู่บูชาให้ทำอย่างน้นให้ทำอย่างนี้พระประธานต้องทำอย่างน้นต้องทำอย่างนี้ต้องประดับประดายอย่างน้นอย่างนี้ <c oughs> ถ้าพระไม่เข้มแข็งก็ตามทำ ต, ตามใจโยมเก่งใจโยมทามยมําตามโยมเสียพระนี <c> ่ <oughs> ทําตามโยมเสียพระทําตามไม่ได้โยมเพราะคารวะญาติโยมตามใจตนเอง นี่พระเจ้าพระสงค์ตามใจตนเองไม่ได้ต้องทวนกระแสอยู่เสมอนั่นทวนกระแสของพระยามารทวนกระแสของกิเลสญาตโยมไม่ค่อยปฏิบัติธรรมไม่ค่อยมีธรรมจักสุไม่ค่อยมีตาภายในมีแต่ตาเนื้อนี่ถ้าหากมีตาภายใน พวกเราไม่ได้เหลือมาเกิดอยู่อย่างนี้หรอกถ้าหากมีตาภายในส่วนมากมีแต่ตาเนื้อเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้มักได้ผลได้สวรรค์ได้พรนิพพานมาไม่ใช่เอามาปันให้พวกเรานะเออไม่ได้ใช่ไม่ใช่เอามาแบ่งปันให้นะฉันได้มักผลได้สวรรค์ได้พรนิพพานมาแล้วเอาคนละเท่านั้น เาคนละเท่านี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมาบอกให้ทำตามนะบอกให้ทำตามถนนหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานไปตามเส้นนี้นั่นเรียกว่าอะไรสัมมุทยัยในธรรมจั ก, กปรปวัตตนสูตรนั่นทุกสัมมุทยนิโรธมรรคนี่เด <c oughs> ินตามทาง นี่แหละถ้าหากเดินตามทางพี่พระพุทธเจ้าสอนได้ ต, ตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้า ต, ตรัสรู้อย่างนี่เราเดินตามทางพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าเราก็เห็นถ้าเราไม่เดินตามพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เห็น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่เน่นหนักภาคสวดมากๆนะภาคสวดมากๆเวลาเราสวดมันนิ่งไหมมันไม่ค่อยนิ่งนะ พราะเรามานั่งสมาธิกําหนดจิต ด, ดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกมันนิ่งนะถ้าจิตนิ่งจิตมีความสุขจิตสบายเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานถ้าพูดแล้วก็แปลว่าพาดูสวรรค์ระยะหนึ่งพาดูนิพพานระยะหนึ่งยังดีกว่าไม่ดูเสียเลยนั่นเพราะว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนพระนิพพานอยู่ที่ไหนมอนรโลกอยู่ที่ไหน สวรรค์นในอกนรกในใจนั่นไม่ใช่สวรรค์นิพพานอยู่มีดินฟ้าอากาศที่ไหนนะอยู่ในหัวใจของเราเจเลตก็อยู่ในหัวใจของเราม้อนรกก็อยู่ในหัวใจของเราเราพูดได้ถ้าหากเราไม่ทำเราก็ไม่เห็นนะให้ทำดิพระพุทธเจ้าสอนว่าไปอะไรไปฟังทำ ฟังแล้วต้องทำถ้าฟังแล้วไม่ทําแปลว่าไปฟังเทศน์นั่นมีคำสองคานะชวนกันไปฟังเทศน์นั่นไปฟังเทศจากหลวงพ่อนั่นถ้าฟังแล้วฟังเทศฟังแล้วทิ้งฟังแล้วเททิ้งถ้าฟังทำนี่คำเดิมเดิมโบราณบอกว่าไปฟังธรรมนะฟังแล้วทําอืำ อย่างฟังว่าให้ทำสมาธินั่นฟังแล้วให้ทำบุญนั่นฟังแล้วเราก็ต้องทำจึงจะได้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองนะถ้าเราทำเราก็เห็นถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่เห็นเห็นอะไรเห็นสวรรค์เห็นพนันธุพาน์เห็นมารรุ่งใครทำเมื่อกี้นี่ ให้เห็นบ้างไหมสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและก็เคยบอกทุกขัง้งทุกขั้งปีนี่ในรรษาก็รู้สึกว่าจะมาสองสามขั้งแล้วเตือนออกตอนญาติโยมลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ทำนะอย่างน้อยหนึ่งนาทีนั่นแหละคำว่าให้ทำเป็นทานมีอเนิสงฆ์มากยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงนั่น ถ้าบอกแล้วไม่ทำจะได้อะไรไม่รู้นั่นแหละคําว่าผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองถ้าใครทำเมื่อกี้เห็นนะถ้าใครสติดีๆเห็นสวรรค์อยากเห็นมโดโลกก็ไม่ยากนะเราทำตามตาเนื้อตาเนื้อเราเห็นอะไรสวยงามตัวใหญ่ๆนะเห็นสวยงาม เห็นสวยงามมันเป็นยังไงทีนี่มันเกิดกิเลสนั่นนึกชอบนึกอยากงามนั่นไม่เหมือนเห็นสวรรค์นะเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานไม่นึกชอบไม่นึกอยากได้อะไรบันสว่างมันสวัยมันเจ้นมันสบายมันไม่ร้อนถ้าเห็นว่าสวยงามแล้วมันนึกชอบนึกชอบเป็นไงมันร้อน ถ้าไม่งามก็รอนแล้วรอนที่ไหนรอนที่ใจก็อยากสวยอยากงามหาเงินหาทองลดวุ่ น, ว, นวั่นวุน่นวั่นอยู่ทุกวันมีแต่หามาเลี้ยงสังขารร่างกายมีแต่หามาแต่งสังขารร่างกายไม่ใช่หรือมีร่างกายตนเองแล้วมีครอบมีครัวมีกี่คนกี่คนเห็นไหมล่ะเป็นภาระไหมภาระหาเวปันจากขันธา ขันห้าตัวนี้มันเป็นภาระอันหนักหนักหรือเบาคิดดูในแต่ละคนในแต่ละคนนะเออตัวหนากก้าคนเป็นอย่างนั้นมีแต่หาไม่มีความสุขสําหรับร่างกายแต่หามาเท่าไหร่มันก็ไม่มีความสุขเพราะมันความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่ความสุขอยู่ที่ร่างกายร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงแก่ นะเก็บตายนี่ตัวใหญ่ๆนะเกิดแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์นั่นเราจะเห็นจุดนี้เพราะเราปฏิบัติถ้าหากเราไม่ปฏิบัติบ่นได้สอนให้นกแก้วมันก็บ่นได้ว่ามันทุกข์อย่างนั่นมันทุกข์อยางนี้นั่นแต่ถ้าหากเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้รสชาติของความทุกข์มันเป็นยังไง นะต้องปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นแน่ถ้าเห็นก็นั่นแหละไม่เหลืออยู่ในโลกสงสารไปกับพระพุทธเจ้าแล้วเพราะจะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราใช่แต่ตาเนื้อเราไม่มีตาภายในขาดการกระทาแล้วก็ไม่มีตาภายในไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นพระนิพพานไม่เห็นมอนะโก ตาเนื้อของเรามองม่เห็นแสงทูบแสงเทียนแสงหลอดไฟฟ้าราคาเป็นแสนเป็นล้านมีดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาอีกสักหมื่นดวงพันดวงก็มองส่องมาสวรรค์นิพพานไม่เห็นส่องหามรณะโกไม่เห็นนะที่จะส่องเห็นก็คือตาปัญญาธรรมจักสุ ค, คือตาปัญญาคือตาภายในนั่นแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอยากให้เข้าใจจุดนี้ ไม่ใช่แสงสว่างเสมอทูปเทียนดอกไม้ไฟฟ้าแสงดวงอาทิตย์แสงเดือนแสงดาวอะไรที่ไหนนั่นต้องแสงปัญญาปัญญาจะมีเพราะเราทำนั่นสินสมาธิปัญญาทานสินปัญญาทานสินภาวนาคำว่าภาวนาคือทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญา หรือคำว่าบุญนี่เราขาดการทำบุญถ้าพูดแล้วเรามีแต่ทำทานชักชวนไปวัดไปอะไรไปทำทานไปทำบุญแต่บุญไม่ทำมีแต่ไปทำทานทำทานก็ทำให้พระยุ่งทุกวั น, นมันเยอะเท้าน้าโพชนาอาหารมันก็หน้าลสลดสังเวชมันเกินพระพุทธเจ้าแล้ว รู้จักปฏิปทาของพรุทธเจ้าไหมที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดตัลลุในบิณฑบาตไม่รู้ว่ามีใครใส่บ้างไหมใครจะรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าล่ะนั่นเวลาพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตนั่นละ่ะพระราชปิดาไปเห็นเลยจึงเกิดความสลดสังเวชว่าลูกของเราเป็นลูกกษัตริย์ทําไมจะไปหาขอทานมาเลี้ยงทาตเลี้ยงสังขาร นพระพุทธเจ้าก็ตอบพระราชบเป็นเดียว่าประเพณีของพระพุทธเจ้าอาศัยการเลี้ยงขีพด้วยบินทบาทไม่ใช่ไปขอแล้วแต่ใครจะมีกิจศรัทธาโดยเฉพาะประเทศอินเดียโดยเฉพาะที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนสัตว์โลกได้จัดสรูปว่าใครจะประรู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครนั่น แล้วจะบินอาดัดไดบิณธบาตจะได้อะไรทีนีมน่มันเหมือนคนไทยทุกวันนี่นะอืมโดยเฉพาะหลวงพ่อปวดในไม้ก็เหมือนกันแหละไม่ใช่พระพุทธเจ้าแหละบางวันมีอาหารบางวันก็ไม่มีอาหารแหะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเข้าป่าเข้าดงที่ไหนมีอาหารคนใส่บาตรเยอะๆไม่ต้องพูดเรื่องอาหารหรอกขอให้มีข้าวเปล่ า, าได้เท่ากับปั้นก็อิ่มใจพอแรงแล้วพอแรงแล้วนั่น โอ้ไม่ดีภาวนาไม่ดีที่ไหนมีเออหัวมหานยเยอะๆภาวนาไม่ดีไปที่อื่นที่กันดานที่สุดน่ะนะหลวงปู่พาไปว่าที่นี่โอ้สะดวกดีไอ้ไกอาบเหงื่อตังน้ําไปบินตาบาตตั้งแต่ตีห้ากลัวจะถึงวัดสถานที่พักกลัวจะถึงถ้าถึงเหวก็เกือบจะสิบเอ็ดโมงนั่นแหละนุ่นไม่เหมือนทุกวันเนี่ยนะ ไปแพ็ปเดียวก็เต็มบาทโล้นบาทนั่นจึงไม่ดีใจกับพวกญาติพวกโยมลูกหลานทําทานนะอยากให้ลูกหลานเน้นหนกักภาคปฏิบัติบูชาซึ่งไม่ได้ซื้อนั่นแหละคําว่าบุญดีกว่าไปขอกับคนอื่นดีกว่าก็ไปขอกับพระถ้าไปขอพระไม่มีบุญเราจะได้อะไรเราจะรู้ยังไงว่าพระมีบุญและไม่มีบุญถ้าหากเราไม่ปฏิบัติ นั่นแหละจึงได้บอกว่าไม่ดีใจด้วยกับออกตอนญาติโยมลูกหลานไม่มีเกียศรัทธาเยอะเยอะขนไปทับถมไม่พระเกิดทิเลสนั่นนี่ปัญหามากที่สุดก็เรื่องพระเดีย๋ยวนี้น ะ, ะถ้าข่าวข่าวถ้าพูดเรื่องทางลบมันเยอะจริงๆนะอะ <c oughs> ถึงกับบางคนเข้าใจก็พระไม่ทําตามพระพุทธเจ้ามันก็มีแต่ปัญหานั่นแหละถึงกับญาติโยมบางคนได้ศึกษามาแล้วประวัติของพระเจ้าเราก็เห็น พระเดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดพะระหรือว่าว่าพวกดงขมิ้นนน่นนะอื <c oughs> มีปัญหาเยอะแยะเพราะเจ้จนั่นจึงอยากเน้นหนักให้ภาคปฏิบัติบูบชาอ่านั่นแหละคําว่าผููปฏิบัติรู้เองเห็นเองอยากให้เน้นหนักภาคปฏิบัติเราจะรู้เองว่ามันเป็นยังไงคําสอนของพระเจ้าบอกว่าคนใดเห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมทํายังไงเราจะเห็นทุกก็นั่งดูสิ พระพุทธเจ้าได้แต่ะรู่เพราะการนั่งพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ตรู่เพราะการนอนบางคนก็เออนอนสมาธิได้ไหมหลวงพ่อนั่นได้แต่มันจิตมันไม่เป็นสมาธิมันนอนไปก่อนมันหลับไปก่อนนั่นแต่ที่เจะาบทการนั่งนะมันไม่ค่อยหลับนะมันจะหลับก็ทนเอาอยังไม่ให้มันหลับนั่งให้มันถึงไหนนั่งนั่งให้มันทุกเกิดนั่น ทุกอะไรทุกเพราะความเจ็บก็คือนั่งหาเจ็บตันั่งให้มันเจ็บเกิดขึ้นหรือคาว่านั่งให้ทุกเกิดขึ้นยังจะได้รู้ทุกยังจะได้เห็นทุกทุกเกิดขึ้นจะเป็นยังไงทดสอบกันด้วยความอดทนนั่นเราจะเห็นความพ้นทุกมันอยู่ที่นี่นะไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าแล้วคนทุกมันเป็นยังไงนั่นนั่งให้มันทุกขึ้นมาลองดู อ๋มันทุกเป็นมันต้องหายเป็นมันเจ็บเป็นมันต้องหายเป็นนั่นแหละคําว่าคนใดเห็นทุกคนนั่นเห็นธรร ม, มนี่เรายังไม่ได้นั่งทุกแล้วเจ็บแล้วเดี๋ยวเจ็บแข้งเจ็บขาเดี๋ยวจะเป็นโรคเนบชาเดี๋ยวจะเป็นโรคอั ม, มพฤกษ์อั ม, มพาตว่าไปแล้วนะทั้งที่ยังไม่ได้นั่งนะจะว่ายังไงล่ะอืม ไม่เชื่อต่กิเล็ตรงนั้นแหละไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เพราะเิเลตมาเถียงก่อนแล้วจะปราบกิเลตไม่ใช่เอามีดนะไม่ใช่เอาปืนผาหน้าไม้มาสู้รบกันนะไม่ใช่เอาผาดาเพชรดาอะไรมาฟันพวกกิเลตไม่ได้หรอกต้องดาบสติปัญญาหน่อยดาบเพชรคือสติปัญญาน่มาฟันกิเลตน ะ, ะปืนผาหน้าไม้เหล็กต่างๆนานามัน ฟันกิเลสไม่เข้าหรอกถือว่ากิเลสปัญญาเนี่ยจึงจะฟันมันจึงจะทันมันนะอะนั่นเน้นหนะักไม่มีสติตัวปัญญานั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้บอกไว้แล้วไม่มีใครเถียงแล้วคําว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่อยากจะเห็นก็นั่งลองสึกดูสิวันนี้ไม่เห็นทำไม่เห็นทุกข์เราไม่หยุดหรอกนั่น ถ้ า, าเรามีความมุ่งหวังอยากจะเห็นสินเห็นธรรมจริงๆนะอยากจะเห็นทุกจริงๆนะอยากจะรู้ว่าพ้นทุกขมันเป็นยังไงนะนั่นนั่นแหละในความหมายคําว่ากราบไหว้ปฏิบัติสินธรรมทุกสิ่งทุกอย่างทําทานทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรลงไปก็เพื่อความพ้นทุกเราจะเห็นจุดนี้แหละคําว่าพ้นทุกหรือไม่พ้นทุกไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์ที่ไหนไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าอีกแล้ว คำว่าผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองมันอยู่จุดนี้อออยู่จุดคำว่าเห็นทุกข์นี่แหละอบางท่านบางลูกก็จะไปนั่งให้มันเจ็บมันปวดทําไมใช่สติปัญญาพิจารณาทิ้งไปเลยมันทิ้งได้มันก็ดีเอเราจะได้ตัดสินได้ยังไงว่าเราพ้นหรือไม่พ้นทีนี้ถ้าหากเราทําแบบนั้นด้วยสติปัญญา ถ้าหากเราเห็นเสศษสดร่อนๆนั่นเห็นไหมเราเห็นความทุกข์มันเกิดขึ้นโดยความเ็ษสดร่อนๆเราสู้อยู่อย่างนี่นี่คำว่ามันหยุดมันจะเป็นยังไงทีนี้มันหยุดความทุกข์อ่ะหยุดความเจ็บความปวดมันเป็นยังไงนั่น่ะคําว่าผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองถ้าหากเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้รสชาติความทุกข์แล้วไม่รู้รสชาติคําว่ามันหมดทุกข์แล้วค้นทุกข์แล้ว พ้นทุกได้เพราะความเพียรอืีอันพยายามเอาวันนี้ไม่พ้นวันหลังเอาสู้มันดีวันหลังมันสู้มันดีนั่นวันหนึ่งสองวันสู้ไม่ได้ก็ยูุสู้มันเป็นหลายวันนั่นแหละสู้มันอยู่นั่นนั่นมันเจ็บเป็นมันต้องหยุดเป็นจึงได้บอกอยู่เสมอว่าเงินทองภาษาอีสานว่าเงินทองสับสมบัติอยู่ฝากป้าเน่ามักผลในผ้าอยู่ฝากป้าตายคือทิ้งตายนะ ไม่ต้องไปห่วงคําว่าจะเป็นจะตายมันจะเป็นจะตายมันเจ็บจะเป็นจะตายไม่ต้องแล้วตายก็ตายอยู่ต่อไปก็จะตายอยู่นั่นตายวันนี้ดีกว่าตายพรุ่งนี้นั่นมันไม่ถึงเวลามันไม่ตายง่ายหรอกไม่แต่กลียดนั่นแหละมันตายอ่ะเออถ้าเราสู้จุดนี้นะถ้าเราไม่สู้จุดนี้เกลียดมันไม่ตายมันก็อยู่ในหัวใจเกิดแย่เจ็บตายเกิดแย่เจ็บตายเจ็ดเตลเจ็บตายกี่ภบกี่ชาติกี่กลับกี่กันเกิดมาภบไหนจะไหนบ่นกันหาแต่ความทุกข์ б, บนหาความสุขก็ไม่เจอแล้วบนวัตทุกนั่น <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากให้เน้นหนักภ า, กภาคปฏิบัติคำว่าผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองพิธีกรรมทางพุทธศาสนไม่ยากนะส่วนมากเราทำพิธีให้ยุ่งยากเองนะเรียบง่ายอย่างเราทำกันเมื่อกี้นะ่ะกราบไหว้แล้วก่าวคำบูชาแล้วก่าบระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ า, ว า, าตวาคตโตทูปฏิปโนแล้วก็นั่งกาหนดดูนี่มันจะไปที่ไหนที่นี่ <c oughs> มันเรียบง่ายไม่ต้องไปทีพิธีพธิกรรมพิธีรีตองอย่างน่อนอย่างนี้สวดพระพุทธมนตกีรอบกีรอบสวดสีหบัญชรกีรอบกีชอบสวดพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณกีรอบกีรอบก็บแล้วแต่จะว่าไปแล้ว จะสวดที่ไหนมันก็สู้สวดลมหายใจเข้าออกไม่ได้หรอกนั่นมันเหนื่อยโดยเฉพาะสวดมากมาก็เหนื่อยสวดกระม่มากๆจิ่งเหนื่อยนะาะเสียงมันไม่เข้ากันเดี๋ยวปรับเสียงใสกันบางคนเสียงใหญ่บางคนเสียงเล็กบางคนเสียงช้าใช่บางคนเสียงเร็วโดยเฉพาะนานๆจึงมารวมกันทีนั่นเหนื่อย แต่ว่าเวลาเรานั่งสมาธิมันไม่เหนื่อยนะมันฉุกมันอิม่มสุกใจเห็นสติของเรามั่นคงนั่นถ้าเผลอสตินี่เดียวมันก็ไปวอกแวกวอกแวกไปแล้วจะท่องลมหายใจเข้าออกท่องพุทโธอย่างนี้มันแตกต่างกันนะท่องพุทโธพุทโธพุทโธมันไปอยู่ปากเสียงแต่ใจของเราบางทีเราลึกลู่บางทีไม่ลึกลูลลลลล่ว่าพุทโธแต่คาว่าลมหายใจเข้าออก เผลอไม่ได้นั่นถ้าเผลอปั๊บก็ไม่รู้ว่า ล, ลมเข้าถ้าเผลอแป๊บเดียวก็ไม่รู้ว่าลมออกมันเป็นยังไงลมเข้าเป็นยังไงนี่มันแตกต่างกันน ะ, ะพุโทโธกับลมหายใจเข้าออกแต่พระพุทธเจ้าก็บอกไ้แล้วแล้วแต่จิตนิสัยคนไหนชอบแต่ว่าพุโทโธทั้งลมหายใจเข้าออก หรือกายยาคตาสติภาวนาพิจารณากายที่ไหนมันอยู่ต่อเรื่องกันแน่นหนาถาวรมั่นคงก็ใช่ได้ทั้งนั้นอืแล้วแต่เจตนาใส่ของหลวงพ่อที่โพดอยู่นี่แหละมันคุ้นเคยกับอนาปานุสติมันจับได้ชัดถ้าเราจับได้นา น, านพวกเขเวทนามันก็หมดไปเพราะมันไม่ไปยึดกับทุกเขเวทนา นั่นจะเป็นยึดสิ่งอื่นๆมันยึดอยู่คําว่าลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนั่นมันไม่เป็นมารดาลกมาเผาใจนะอยากเห็นมารดาลกลองเห็นความสวยงามมันดิเห็นความร่ำความรวยสิเป็นมารดาลกขึ้นมาเผาใจแล้วนั่นคําว่าสวรรค์นในอกนรกในใจเออนึกคิดให้ถึงกับคนไม่มีหลักศีลหลักธรรมจริงๆก็ พอเห็นสวยงามก็เกิดจิเล็เห็นความร่ํารวยก็เกิดจิเล็ดอยากได้นึกอยากได้เราของหาเองไม่ได้ก็ไม่อยากจะขโมยเขาอยากป้นเขาอยากแย่งเคีงเขาแย่งเคียงไม่ได้นึกอยากป้นเขานั่นนํามาซึ่งทําให้เกิดความโลภเห็นความร่ารวยเห็นความสวยก็งามก็เกิดจิเล็ดก็เกิดความรัก นั่นมันนำมาถึงไฟเผาเราทั้งนั่นแหละพระพุที่เจ้าจึงไม่ให้ดำลิจึงได้เตือนอยู่เสมอว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดนี่อย่าไปห่วงว่าโลกสงสารจะมีความลุ่งเรืองจเจริญลุ่งเรืองต่อไปภายหน้านะถ้าหากขาดศีลธรรม สินทำไม่กลับมาโลกาพินาศนั่นเห็นไหม <c oughs> ทำไมก่อนมีแต่ใครเก่งกลัวเป็นหนี้เป็นสินทำไมทุกวันนี้ไม่เก่งกลัวนะขออย่างเดียวขอให้ยืมได้นั่นทุกที่สุดคือคนมีหนี้ทุกที่สุดคือคนเป็นหนี้เพราะอะไรเพราะ ละอายเขาว่าเป็นหนี้กลัวเขาจะถามหนี้เป็นหนี้เขาแต่ทุกวันนี้ขอให้ยืมได้อืมไม่ก็มีคําว่ากลัวหนี้กลัวศินคิดค ด, ดูมอ ง, มองดูส่วนมากส่วนใหญ่นะอืมเดี๋ยวนี้บ้านก็ไม่มีไร่นาก็ไม่มีนั่นเพราะอะไรล่ะเขามีเครื่องจำนองจองจำ อ๋ออะไรความหรูหราฟุม่มเฟือยแต่เมื่ก่อนก็มีจักระยานนั่งก็ว่าโตร่ํารวยมีมอเตอร์ไซค์มาอีกก็ว่าร่ํารวยมีรถยนต์มาไอแตนม า, น, มานั่งก็ว่าร่ํารวยเดี๋ยวนี้มันจีออ่อะไรจี้ห่ออะไรอะไรก็มานั่งหมดแล้วแต่คิดไปคิดมาเราก็มีแต่นั่งหนี้นั่งสินไม่แต่นั่งความทุกข์นั่นบอกว่าร่ํารวยหรูหราฟุม่มเฟือยนั่น มันทําให้เราลืมตัวนะนั่นมันมีแต่ความทุกข์ความงำนั่งอยู่บนกองคุกแต่คนก็ไม่เห็นเพราะขาดการปฏิบัตินั่นอยากให้พากันปฏิบัติอยากให้พากันมีความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ใช่เราเกิดมาอยู่ในโลกร้อยปีหมื่นปีนะแป๊บเดียวก็ไปแล้วเห็นไหม เมื่ี้ลูกเสียบอกว่าโอ้ยหลวงพอ่อเอ้ยจะออกพรรษาแล้วยังว่าท่านได้เรื่องเลยเห่นปะแน่จ้ำแล้วจ้ำเอียตั้งแต่วันเข้าพรรษายาประมาทนะต้องมีสัจจะนะจะนั่งวันละกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงต้องกำหนดเอาไว้ถ้าไม่กำหนดเอาไว้ไม่มีสัจจะเราไม่ได้ทำแน่เพราะเรื่องของพญามารมันอยู่ในหัวใจมันไม่ไปอยู่ที่อื่นนะมันสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่บนหัวใจเรา เราไม่ทันพระจมานกิเลสมันเห็นเราแต่เราไม่เห็นกิเลสว่าอย่างไรละ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเห็นไหมละ่ะวันเวลามันเดี๋ยวก่อนไหม ừ, วันเวลามันกินไปทุกวันทุกวันทุกวั น, ท, วนทำไมเราจะไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนละ่ะวันเวลาไม่เห็นทอยใคร่รเราจะทําคุณงามความดีเราจะไปคอยใครละ่ะ จิเลศไม่อยากให้เราไปไหนไม่ก็มิถะพัดวันประกันพุ่งอ้างการอ้างเวลาอ้างยุ่งน่นยุ่ง น, นีน่มันไม่ยุ่งมันก็ว่ายุ่งอยู่เฉยๆมันก็ว่ายุ่งนะเรื่องของพระจมานไม่อยากให้ทำํำ น, นี่แหละเพราะฉะนั้นต้องฝ่าอุปสระศพันุประศักด้วยสัจจะปรมีพระพุทธเจ้าได้ตัดทรูเพราะสัจะน ะ, ะแล้วเลือกถึงอย่างอื่นมันไม่นิ่งใจอะ่ะ มันไม่อยากจะทําวอกแวกวกแวกพรยามาลไม่รู้มาจากไหนจากไหนกอกวนยั่วยวนนั่นโอ้จะทํายังไงนาะทําไมมันเยอะแยะพรยามาลเอาต้องมีสัจจะนะแล้วลึกถึงสัจจะเราสร้างบา ร, รมีกี่อสมไขามาแล้วทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเน่คัมภ์บา ร, รมีนั่นแล้วลึกถึงสัจจะบา ร, รมีที่เราสร้างมาแล้วนั่นแนะ่ะพวกบุญกุศลศาสนาบา ร, รมีมาช่วยให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วย ถ้าเลือกถึงสัจจะพลมีเพราะฉะนั้นคําว่าสัจจะจอมตายเสียดีกว่าจะเสียสัจจะนะทําอะไรลงไปตั้งอะไรลงไปแล้วต้องทําให้ได้ในบรญษาพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ไปไหนอยู่จำบรรษาเอาเราก็จะนั่งสมาธิจากวันละหนึ่งครั้งวันหนึ่งหนึ่งนาทีนี่แต่จะโดยคอยดูนะ ทั้งๆ ท, ที่บอกว่าหนึ่งนาทีมันยังจะกิเลียดมันยังหาวิธีนะอมันทําให้เราเสียเนะี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งมันต้องหาเวลาแก้เรานะทั้งๆ ท, ที่ขอตั้งหนึ่งนาทีนะถ้าคนไหนรอดได้ได้หนึ่งนาทีทุกวันทุกวันก็แปลว่าได้ชัยชนะอืมอยากให้ลองดูว่ามันจะนั่งได้ทุกวันไหมภายในเก้าสิบวันนี่ มันต้องหาวิธีมาตัดเราแน่นะกิเลสมันต้องเอาเวลาเราเผอนะเพราะมันเห็นเราอะ่ะนีไม่ดีดก็โอ้ยลืมแล้วหมือนี่เพระได้นั่งสมาธินานามันต้องมีวันใดวันหนึ่งนะประจมานมันจะเอาเร า, เาไม่ใช่เด็กน้อยนะคนเอาจริงเอาจังไม่ยอมเสียสัจจะพลมัมีมีความมุ่งหวังต่อศีลต่อธรรมจริงๆงจึงจะพ้นไปได้ ถ้าหากเราไม่รู้จริงจริงจังๆมีแต่กิเลตมันหลอกต้มตุ๋นเราอยู่ทุกวันทุกเวลาเที่ยวให้เกิดให้แก่ให้เจ็บไห้ตายให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายไม่รู้จีพบกี่ชาติจีกับจี่กันนี่มันไม่ยากถ้าหากยุ่งยากเหมือนอย่างอื่นหลวงพ่อไม่เน้นหนักให้ทําหรอกมันไม่ได้เสียเงินสักบาทแล้วก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนคนอื่น ถ้าคิดแล้วเราทําทานยุ่งกว่านะกลัวจะมีจตุปัจจัยกลัวจะได้สิ่งของกลัวจะมีพระเจ้าพระสงฆ์มาบิณฑบาตทําได้แล้วถ้าหากไม่ครบองค์มันก็ไม่ได้เป็นบุญนะการทําทานต้องครบองค์ประกอบคือของทานบริสุทธิ์ของได้มาบริสุทธิ์นั่นถ้ามี จ, จตุปัจจัยมาไปขโมยเของมา ไปซื้อของขามอยเขามาอย่างนีนน้ไปทานให้ผู้ที่ไม่มีศีลมีธรรมอย่างนี้นั่นก็แปลว่ามันไม่ครบองคอ์ที่จะได้บุญได้กุศลจะได้บุญได้กุศลต้องครบองค์ประกอบไปด้วยจตุปัจจยได้มาด้วยความบริสุทธิ์ของทานบริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ นั่นจึงเป็นของยากสู้ทําบุญไม่ได้ทําบุญเป็นของง่ายโดนทั้งดูลมหายใจเข้าออกนะนั่นหรือคําว่าท่องพุทธโธสองคำทาไมจะทําไม่ได้นั่นพระพุทธเจ้าสอนแพ็บเดียวแค่นี้ก็จะทําไม่ได้เคยเตือนพระเตือนเนนเตือนแม่คีอยู่บ่อยๆก็เหมือนกันเลยทําไมอยู่ไม่ได้ เข้ามาบวชก็นับแต่วันไม่ได้นับว่ากิเลสออกจากหัวใจไม่ได้นับว่าจิตใจเป็นสมาธิหรือเปล่าไม่ได้นับนะ<ม>วันนี้เดือนนั่นวันนั่นเดือนนี่วันนั่นจะเข้าพรรษาวันนี่เลยจะออกพรรษานั่น <laughs> นับแต่หานับตั้งแต่วันที่จะออกพรรษาแล้วนับแต่วันจะออกไปโอ้ยมันไกลกันแท้มันไกลกันแทกกับปฏิปทาของพระพุทธเจ้า ที่จะเห็นสินเห็นธรรมด้วยความทุกข์ยากลำบากตากตาเสียสลัเอาเป็นเอาตายนั่นจึงเลยบอกเพื่อไม่ให้เราทำเล่นๆเจาะเจาะแย่ๆหลักสินหลักธรรมหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าได้มาด้วยความทุกข์ยากลำบากตากตมแทบล้มแทบตายไม่ใช่เป็นตุกตาที่จะมาทำเล่นๆเจาะเจาะแย่ๆ ทำจริงได้จริงเห็นจริงพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจริงนั่นถ้าไม่มีความอยากจะมาเกิดจากที่ไหนถ้าไม่ไม่มีความรักจะมาเกิดอะไรมันเป็นเชื่ออยู่นี่แหละต้องถามใจเรของเรานั่นแหละเกิดก็คือความรักมันเกิดเพราะความรักไปยึดถือนั่น พ่อแม่คูบาอาจารย์หรือตำแหน่งตำราก็ยังมีอยู่แล้วบางสิ่งบางประการบางข้อแม่คูบาอาจารย์เขียนไว้อเลี่ยงอะไรไปทําอะไรก็ติดสิ่งนั้นนั่นเนี่ไหมสร้างบ้านติดบ้านสร้างนาติดนาสร้างสวนติดสวนอมีไล่มีนาติดไล่ติดนามีลูกมีหลานติดลูกติดหลานมีอะไรก็ติดอนั้นเกิดแล้วใช่ไหมนั่นไปห่วงอะไรมัไปเกิดอยู่ตรงนั้นกิจตัวนี้น่ะ ไปเยอะตรงไหนมากตรงไหนวุฒิภิกขีตรงนั้นน่ะนั่นที่ในการสำละสระสางถอดถอนจิเลศก็มาถอดถอนที่หัวใจให้มันละถอนปล่อยวางให้มันวา่างเปล่าจากทุกสิ่งทุกอย่างเคยเตือนอยู่เสมอเสมอว่าข้อสินรำของพระเจ้าเป็นเครื่องวัดจิเลศจริงๆก็คือให้หาความมีออกจากใจ ถ้าใจไม่มีอะไรอยู่ในหัวใจแล้วก็เหมือนตัวเราไปไหนมาไหนไม่มีสิ่งของมันก็ไปสบายไปง่ายถ้าใจของเราจะไปสวรรค์ไปพญิพาลไม่มีสิ่งของมันก็ไปได้ถ้ามีนูน่นมีนี่อยู่จะไปได้ยังไงพะมันมีอยู่ในใจิตใจนั่นเพราะตัวจิตใจมันเป็นผู้พาไปไม่ใช่ร่างกายอะ เราก็หาดูแต่ร่างกายหาแต่งแต่ร่างกายบอกดูใจแต่งใจรักษาใจก็ไม่อยากรักษาใจเป็นผู้พาไปสวรรค์นพนธิพานถ้าหากใจไม่มไปไปสวรรค์นพนธิพาลใจก็พาไปทางมโนโลกสำหรับสังขารร่างกายเรารักดีเท่าไห่แต่งดีเท่าไห่จัดให้ดีเท่าไหร่เลี้ยงดีเท่าไหร่ก็ถึงเตาไฟถึงเมมนั่น ผู้ทีจ่จะพาไปสูงสุดก็คือใจเพราะฉะนั้นให้เน้นหนักภาคปฏิบัตินะในฐา น, นะเรามีโอกาสดีที่พระพุทธเจ้าได้เสียสละความสุขต่างๆนานาสแสวงหาศีลหาธรรมเพื่อโปรดสัตว์โลกไม่ใช่หาโปรดพระองค์เดียวนะพระพุทธเจ้าเห็นว่าสัตว์โลกมันมีความทุกข์จึงเสียสละทุกทรมานลาบากต่กเ ม, มีอะไรก็ทานให้หมดทานให้หมด ยังแต่แล้วก็ไม่ได้ตัดทะลุเวลาได้ตัดทะลุก็ออกปฏิบัติเร่งกันทําความภา ค, ควมเพียรนั่งสมาธิภาวนารักษาใจอย่างเดียวนั่นได้ตัดทะลุแล้วจึงจะมาสั่งสอนสัตว์โลกนั่นช่วงระย ะ, สะแสวงหาอยู่ก็สั่งสอนสัตว์โลกก็ยังไม่ได้มันจะับขีทสังห้ามาอยู่ด้วยก็ยังได้แตกกระจิกระจ า, ะจายหนีล่ะว่าพระพุทธเจ้า <c oughs> ปฏิบัติสินธรรมด้วยความย่อจอน นั่นสมัยใหม่ใบวชใหม่ใกับพระพุทธเจ้าจังไม่ได้ฉันอาหารที่ไหนทนทุกทรมานอยู่นั่นล่ะอืมเห็นพระพุทธเจ้าไปเสวยพระกญาหารแป๊บเดียวก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าย่อหย่อนในการปฏิบัติธรรมแล้วนำมาซึ่งความมากมากพากันแตกกันหนีและบัญจารวกขีดทั้งห้านั่นพระพุทธเจ้าไปเสวงหาพระองค์เดียวนั่นแต่ว่าก่อนจะได้จัตตลู่จริงๆก็คือไปเสวยพระกญาหารเนี่นแหละ โอ้ทนทุกตรมานไม่ฉันอะไรเลยเป็นการทําให้ตึงเกินไปนั่นนั่งอยู่ตลอดวันยังค่ํำคืนยังรุ่งถึงกับเกิดสุภพทมิมิตรขึ้นมาเป็นพุนเทวดาอินพรมสันสูงสูงมาเด็ดพินให้ดูเด็ดพินให้ฟังอนั่งกําหนดจิตอยู่นั่นแหละเสียงพินมันดังอถ้าตึงเกินไปมันเสียพินก็าขาดถ้าย้อนเกินไป มันก็ไม่ดังเอาอยู่วางครึ่งกลางนั่นได้ข้อธรรมจุดนี้แหละจึงมาได้ <c oughs> ฉันพัตตาหารกับจากนางสุขชดาแล้วอธิษฐานจิตใจว่าอืมเราจะได้เป็นพรุทธเจ้าหรือไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าถาดของนางสุชดาเอาใส่พัตตาหารมาถวายนั่นแหะเข้ามุตุประยาดเป็นถาดทองคํา พอฉันเสร็จแล้วก็มาเสี่ยงถาดทองคำลองดูว่าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่านาอถ้าหากจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดทองคำไหลทวนกระแสถ้าหากจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ให้ถาดทองคำไหลไปตามน้ำพออธิษฐานจิตเรก็ไปปล่อยถาดทองคำถาดทองคำไหลทวนกระสแะส amis, ขึ้นไปโน่นน้ำไหลแรงถ้าจไหลทวนกระแสขึ้นไปนั่น พอรู้ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเกิงใจยังแล้วก็เดินออกเอกสารที่แล้วก็ไปมีมานบมาถวายหญ้าสำหรับประปูนั่งแล้ววางอยู่นั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เรียกว่าพระแท่นวัดฉลาอาดที่คนไทยพยายามไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชาไปนั่งอยู่ที่นั่น แต่เราไปนั่งแป๊บเดียวแต่พระพุทธเจ้ากว่าจะได้จัตตลุ่นนั่งไม่ถึงเวลาเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะไม่ใช่นั่งแป๊บเดียวเหมือนกับคนไทยไปนั่งสถานที่พระพุทธเจ้าได้จัตตลุ่รอไปเสียเงินเสียทองเข้านั่งก็มีนะนานเห็นไหมความเชื่อถือมันไปอย่างนั้นเสียเวลาอยู่บ้านอยู่ท่องก็ขี้เกียจต้องเอาเป็นออตายฝากเป็นฝากตายถ้าหากเรา จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่เป็นได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่สัพพลูวันนี้ไม่ลุกจากที่นั่นเห็นไหมล่ะเราก็เอาจุดนี้เขาไปดูซิพระพุทธเจ้าพาทำแบบนี้เราก็ทําแบบนี้ลองดูนั่นตายก็ตายที่นั่นล่ะคําว่าเอาเป็นเอาตายจรินกินกา เพราะฉะนั้นจึงฝากไว้ให้ออกตอนญาติโมยมญาติพี่น้องลูกหลานมาจากใกล้จากไกลให้พยายามเน้นหนักการปฏิบัติบูบชาเน้นหนักภาคปฏิบัติบูชาอามิตรบูชาหรอกทําให้พระเกิดกิเลสมันได้บาปตั้งคนให้ได้บาปทั้งคนรับนั่นแหละอยากให้เน้นหนักภาคปฏิบัติบูบชาจึงไม่เสื้อสักบาทนะถ้าหากได้เสื้อยุ่งยากอีกเสียด้วยหลวงพ่อก็ไม่บอกหรอก ดูลมเข้าลมออกเฉยๆทำไมจะไปยุ่งตรงไหนล่ะเราอยู่กับลมทำไมไม่ดูล่ะลมดูแต่ของปลอมย่อมผมย่อมคิ้วย่อมขนตาแต่งขนตาย่อมจมูกทำจมูกนั่นแต่งหน้าแต่งตาแต่งผิวแต่งโน่นแต่งนี่แต่งเล็บไม่รู้กี่สียุ่งแต่ของปลอมๆปุ่นแต่ของปลอมของจริงคือใจทำไมไม่แต่ง แล้่จะหลงไปจีพพจีชาติจีกับจีกันล่ะทีเจ้าสอนอยู่ต้องต อ, งอยูนะ่ไม่เชื่อโอ้ยมันน่าตรดสังเวชนะอย่า ถ, ถือว่าเป็นของเล็กเล็กเลยน้อยนะอย่าถือว่าสวรรค์นิพพานไม่มีนะต้องมีแน่นะนอ่เหละด้วยอำนาจบุญกุศลออกตนญาตโมยมญาติพี่น้องลูกหลานได้เสียสละมา อกดมนไหวพระมาวังทำคําสั่งสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำคําสั่งสอนของพระเจ้าก็เอาขอฝากไว้ให้นําไปประพฤติปฏิบัติฝึลกฝนอบลมกายวาจาใจอืมหลักสินทำคําสั่งสอนของพระเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์รักษาสามอย่างคือกายหนึ่งวาจาหนึ่งใจใหนึ่งในแต่ละคนแต่ละคนรักษากายตนเองรักษาวาจาตนเอง รักษาจิตใจตนเองให้อยู่ในศีลให้อยู่ในธรรมแล้วก็จะเจริญงอกงามไพยบุญในพระพุทธศาสนาและก็ให้มีดวงตาดวงใจได้เห็นศีลเนธรรมในภพชาตินี่เทิดสาธุ